ก็สแสดงความยินดีนะพวกเราที่จองเก่งจองมาฟังในส า, าเนี่หกร้อย600ที่นั่งวันละเจ็ดสิบห้าแปดครั้งเราใช้เวลาแปดนาทีเต็มบางคนสงสัยว่ามีหมกเม็ดไหมเล่นเส้นมไหม ประธานมูลนิธินั้นเขาบเขามีหลักฐานเลยว่าใครลงทะเบียนเวลาไหนมีรันให้ดูตรงไปตรงมาบางคนนั้มารองทุกหลวงพ่อนะว่าลงไม่ทันลงไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดือนหน้าลงใหมนะ่ไม่ทันก็เดือนต่อไปลงใหม่ เบอกว่าอยากให้เปิดให้เข้ามาเหมือนสมัยก่อนไม่ต้องจองใครวิ่งเร็วก็ให้เข้ามาตอนนั้นตีสี่ตีสีน่นะมาดักอยู่หน้าวัดแล้วพวกที่อยู่ใกล้ๆวัดนี่ได้เปรียบเข้ามาก็น่าซ้ำๆกันแทบทุกวันเลยพอวิ่งเร็ว รู้ว่าจะต้องมาตรงไหนคนใหม่ๆ ม, ม, มาไม่ทันในระบบนี้หลวงพ่อว่ายุติธรรมที่สุดแล้วละให้เดือนละครั้งอาจจะไม่ได้ทุกเดือนแต่ว่าจองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เวลาจองก็ไม่ได้งุบงิบจองบอกชัดเจนไม่มีโหมกเมตรว่าเอาพักพวกมาจองเต็มแล้วก็ค่อยเปิดอะไรอย่างเงี้ย มันยุทธธทําที่สุดเท่าที่ทำได้ตอนนี้แบบนี้ให้โอกาสคนซึ่งไม่รู้รูทางที่จะแย่งชิงมีโอกาสเข้ามาเรียนคนที่เขาเรียกร้องนะเขาก็ยังงองแงงองแง่งงแงนะอยากมาฟังทำในศาลาหลวงพ่อก็บอกตรงไปตรงมาเลยว่าเข้ามาในศาลาหลายปีแล้วไม่เห็นจะพัฒนาขึ้นเลย บอกแหมหลวงพ่อเล่นแรงนะวันวันคิดแต่จะแย่งเข้าสาลาลมันไม่ได้คิดภาวนานะคิดวางแผ น, น, น, นธรรมะเนี่ยถ้าเราไม่ภาวนานเราหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าพระหรือโยมนะอย่างพระบวชมาแล้วไม่ได้ภาวนาหรือภาวนาผิดะอะไรเนี่ยภาวนานอกรู้นอกทางไปเล่นไสยศาสตร์เล่นคุณสายเล่นอะไร อย่าบวช ด, ดีกว่าบวชแล้วก็บาปมากกว่าเก่าอะไรอย่างนี้เป็นโยมก็เหมือนกันปากนะบอกอยากได้มรรคผลนิพพานแต่กิเลสไม่เคยคิดจะลดละเลยวันๆแล้วก็เล่นเฟซบุ๊กเล่นไลนะน์นะแชทโน้นแชทนี่เขียนวิจารณ์วิจารณ์คนอื่นตลอดเวลาเลยอย่างโน้อนอย่างนี้ ปากบอกอยากนิพพานนะแต่พฤติกรรมสวนกันนิพพานอยากได้นิพพาน้วต้องเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ไปวุ่นวายคนอื่นเห็นข้อผิดของตัวเองไม่ใช่เห็นข้อผิดของคนอื่นดูตัวเองถ้าเราเห็นความบกพร่องของตัวเองเราจะพัฒนาตัวเองได้ถ้าเราเห็นแต่ความบกพร่องของคนอื่นเราจะสะสมกิเลสของเราเพิ่มขึ้น กูเก่งกว่าเขากูดีกว่าเขากูแน่วกว่าเขาอะไรเงี้ยเทียบเขาเทียบเราตลอดมันไม่ใช่เส้นทางของคนที่ปรารถนาความพ้นทุกข์งั้นถ้าอยากพูดว่าถ้าพูดว่าอยากนิพพานอยากนิพพานเลยต้องปฏิบัติสีลห้าถือหรื อ, อยังถ้ายังไม่ถือก็ไปถือซะ ทุกวันได้ฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาไหมการฝึกจิตนัน้นฝึกสองอย่างหนึ่งจิตที่มีพลังสงบแล้วมีพลังอันที่สองจิตที่ตั้งมั่นถอนตัวออกมาจากปรากฏการ์ทั้งหลายแล้วเป็นคนดูดันสมาธิที่เราจะฝึกมีสองอย่างหนึ่งฝึกให้ใจมันมีแรงอีกอันหนึ่งให้ใจมันตั้งมั่นถอนตัวออกมาเป็นคนดู จากปรากฏการทั้งหลายนันแยกออกมาตรงที่มันแยกจิตมันแยกออกมาแล้วเห็นกายอยู่ส่วนกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาสังขารทั้งหลายดีชั่วทั้งหลายอยู่ส่วนสังขารดีชั่วนะเห็นกุศลอนะกุศลนี่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นจิตเป็นคนรู้คนดูนะ เนี่ยสติปัฏฐานสี่จะทำได้แล้วเกิดปัญญาได้จิตต้องแยกออกมาตั้งมั่นออกมาเป็นคนดูถ้าจิตตั้งมั่นไม่ได้ไม่มีทางที่จะได้ธรรมะอะไรหรอกก็หลงอยู่ในโลกของความคิดจมลงไปในความคิดตลอดเวลา <S <S <ม>อย่างพระมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะสิ่งที่แรกๆเลยที่หลวงพ่อจัดการเลยก็คือวินัย มีการตรวจสอบเลยถ้าเป็นพระบวชใหม่อะไรเงี้ยเขจะสอนพระวินยัยสองสามวันต้องเรียนรู้วินัยก่อนเรื่องหลักๆจะได้ทำไม่ผิดไ ม, ไม่ไม่ทำผิดบางทีถ้าเคยบวชมาจากที่อื่นเนี่ยต้องตั้งกรรมการสอบที่ตอนบวชอยู่ที่อื่นนนะไปทำอาบัตอะไรมาบ้าง ถ้ารรมอาบัตรเล็กน้อยก็ให้ปรงอาบัตเอา ร, รมอาบัตรหนักก็อยู่ปริวาสเนี่ยต้อต้องให้คลีนซะ ก, ก่อนเรื่องของศีลพอเคลียเรืเ่องศีลแล้วต่อไปเวลาส่วนใหญ่ที่พระวัดหลวงพ่อฝึกกันเนี้ยคือสมาธิเราอย่าเน้นว่าดูจิตดูจิตนะพูดแต่คำว่าดูจิตมันดูไม่ถึงจิตหรอก จะดูจิตได้จิตต้องมีสมาธิแต่จเจริญปัญญาเนี่ยไม่ต้องเข้าสมาธิก่อนดูจิตเนี่ยดูจิตมันทำงานไปเลยถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วดูมันทำงานไปเลยแต่ถ้าจะดูกายควรจะไปเข้าฌานก่อนเราออกจากฌานมามาดูกายคนละแบบกันแต่ขั้นแรกสุดเลยต้องฝึกให้จิตใจมีพลัง ให้จิยยยตจ ใ, จจใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมีพลังจิตใจอยู่กับเนื้อก็ตัวแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมานั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูบางองค์ก็เห็นดูมาจากกายนะสมาธิเนี่ยง่ายๆเลยหาอารมณ์ที่หยาบหยาบพอดีกับจิตใจของเรา อย่างหลวงพ่อนะหลงพ่อทาอนาปนสติตั้งแต่เด็กอนาปนสติพอดีกับหลวงพ่อพวกเราบางคนอนาปนาสติไม่พอดีกับตัวพวกเราเพราะมันละเอียดเกินไปอนาปนาสติทำยากนะทําแล้วขาดสติง่ายมากเลยนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็เติมลงพุทโธลงไปแทนที่จะหายใจแล้ว ร, รู้ว่าร่างกาย ห, หายใจออกหายใจเข้ารู้อย่างนี้มันเบา นาเติมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรเงี้ยเป็นการเพิ่มความเข้มความหยาบของอารมณ์กรรมฐานให้พอดีกับใจที่หยาบหยาบนั่นเราเลือกกรรมฐานที่พอดีกับใจเราถ้าละเอียดเกินไปจะดูไม่ได้หรือเริ่มต้นจะไปดูช่องว่างไปดูความไม่มีอะไรเลยมันจะหลงมันละเอียดเกินไปที่จะดู นันดูของที่ดูได้อย่างพระที่มาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยางองค์ภาวนาเป็นผู้ช่อสอนมาแล้วนะหลวงพ่อให้ดูร่างกายด้วยซ้าไปร่างกายหายใจยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยคอยรู้สึกไปดูกายเลยเพราะกายเป็นของหยาบถ้ากายยังดูแล้วสติตเตลเปิดเปิงไปอะไรนี่ก็ยากหน่อยละถ้าดูกายแล้วสติอยู่กับกายได้ มันก็ง่ายหน่อยจะพัฒนาต่อไปได้ถ้าดูแต่จิตล้วนๆเลยไม่ดอมดูกายเลยมันละเอียดเกินไปบางทีสติตั้งไม่อยู่สติไหลหลงหลงหลงไห ล, ลายๆไปสมาธิไม่มีเพราะเราเลือกกรรมฐานที่พอดีกับเราถ้าเราไม่มีสมาธิอยู่แล้วเนี่ยหลวงพ่อแนะนำนะรู้สึกกายไปร่างกายหายใจก็เห็นว่าร่างกายหายใจ ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้ไปเรื่อยขาดสติเมื่อไหร่มันก็ลืมร่างกาย น, นั่หนีไปคิดเรื่องน้นเรื่องนี้นะรู้เรื่องที่คิดบ้างคิดไปแล้วไม่รู้ว่าคิดอะไรบ้างอันนี้เหลวไหลสุดขีดนี่ถ้าเราคอยรู้สึกกายอยู่นะร่างกายขยับขยับอะไรนี่เรารู้ทั้งวันนะพอเผลอเผลอแล้วร่างกายเกิดขยับขึ้นมาเนี่ยสติจะเกิดเอง นนี้สติจะเกิดเองเพราะสติเกิดปุ๊บสมาธิจะเกิดปั๊บเลยเนี่ยมันจะเกิดต่อเนื่องกันนะอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึง่งนะเรื่องดูที่เหมาะกับตัวเราเองอย่างเห็นหลวงพ่อหายใจเข้าพุทออกโทรหรือหลวงพ่อดูจิตว่างๆดูอะไรเงี้ยแล้วเราจะเอาอย่างเอาไม่ได้นะทางใครทางมัน กรรมาฐานนะีทางใครทางมันดูที่มันเหมาะกับตัวเราเองไปสังเกตอเอานะถ้าสมัยก่อนยุคที่หลวงพ่อเรียนเจากงลวงปู่ ด, ดูล น, นะได้เปรียบพวกเราเมื่อก่อนคนที่เข้าไปเรียนกรรมาฐานกับหลวงพู ด, ดูล น, นะสัปดาห์หนึ่งบางทีไม่มีสักคนเลยหรือมีคนหนึ่งสองคนหลวงปู่มีเวลาให้เยอะ คนหนึ่งหลายชั่วโมงท่านจะนั่งเงียบๆของท่านไปนะนั่งภาวนาของท่านไปเสร็จแล้วธรรมะมันถ่ายทอดออกมาท่านก็จะบอกเราให้เราไปทำกรรมฐานอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราไปทำอย่างอื่นนะไม่สาเร็จนะถ้าเราทำอย่างที่ท่านบอกนะเราจะได้ผลอย่างรวดเร็วเลยอันนั้นครูบาอาจารย์ท่านช่วยดูให้ว่าเราเหมาะกับอะไรนี่ท่านช่วยดูให้ได้ วันานานๆจะมีคนเข้าไปเรียนสักคนหนึ่งอย่างพวกเราเรียนนะียมันระดับแมสโตรดักแล้วให้หลวงพ่อดูให้นะหลวงพ่อดูไม่ไหวหรอกเสียเวลากับคนนึงชั่วโมงหนึ่งอนะไรเนี่ยทําไม่ได้ตามสถิตินะพวกส่งกันบ้านกับหลวงพ่อที่ลุ้นกันแทบแย่นะจับฉลากเข้ามาฟังทำจับฉลากส่งกันบ้านคนหนึ่งคนหนึ่งเนะี่ยมีเวลาเฉลี่ยนะ สองนาทีครึ่งเองที่หลวงพ่อตรวจการบ้านให้สองนาทีครึ่งเคนหนึ่งสอง น, นาทีครึ่งเนี่ยพูดเองสักส่วนหนึ่งนะหลวงพ่อบอกให้อีกหน่อยหนึ่งรวมแล้วสองนาทีครึ่งค่าเฉลี่ยตอนไปเรียนกับหลวงปู ด, ดูลนะชั่วโมงบางคนชั่วโมงกว่าท่านต้องตรวจนานมากเลยดูซิว่ามันเคยทําอะไรยังไงมา มันจะทำยังไงได้บางคนตรวจนานมากเลยนะตรวจเป็นชั่วโมงชั่วโมงนนแล้วก็บอกว่าพุโทโธไปพโทโไปเริ่มเบสิกเลยบางคนท่านก็บอกให้ดูกระดูกพนอะดูกระดูกแล้วเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะต่อไปกระดูกมันระเบิดออกไปร่างกายไม่มีนะเหลือแต่จิตเข้ามาที่จิตดวงเดียวแล้วก็เห็นการทำงานของจิตเห็นไตรลักษณ์เห็นอะไรขึ้นมา พัฒนาไปได้บางคนท่านให้ดูผมเส้นเดียวดูผมเส้นเดียวถ้าไม่ดูก็ทําไม่สําเร็จไปทําอย่างอื่นก็ทําไม่สําเร็จทําทอย่างที่ท่านบอกนะก็ใช้เวลาไม่นานก็ได้ผลได้สมาธิขึ้นมาดูผมก้นเล็บปันหนังได้สมาธินะดูลมหายใจได้สมาธินะ่ะถ้าดูจะให้เกิดตัณยาต้องให้เห็นไตรลักษณ์ของกายไตรลักษณ์ของใจ มันแคเกิดปัญญาถ้าดูผมจ้องอยู่ที่ผมเนี้ยเป็นสมถะอย่างเรานึกตรงผมของเราสิหรือลองจับดูสักเส้นหนึ่งรู้สึกั้มมันมีความแข็งมันมีความแข็งของมันฮนะที่เรารู้สึกได้มันแข็งกว่าอากาศใช่ไมผมเรามันไม่มีความแข็งตัวนั้นมันมีธาตุดินมันมีอุณหภูมินะมีความเย็นความร้อนอะไรเงี้ย นี่เวลาท่านพี่หนาผมนะท่านก็ดูผมมีรูปร่างอย่างนี้ยาวๆเป็นเส้นๆมีต่ำน้ามันอยู่ตรงปลายตรงกลางมีรูกลวงใครเคยเห็นไหมผมของตัวเองมีรูอยู่ตรงกลางเหมือนหลอดกาแฟมีรูสกปรกตรงต่ำน้ามันของมันเนี่ยสกปรกไม่สวยไม่งาม มีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้กลิ่นของผมเคยได้กลิ่นไหมเคยไหมไม่ใช่ตอนที่สระผมหอมๆนะอันนั้นกลิ่นแชมพนะูกลิ่นผมตอนที่เหงื่อออกเยอะๆแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้าอะ่ะ ม, มีกลิ่นนะมีกลิ่นอย่างนี้ได้กลิ่นนะสลดสังเวท ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ใช่ของสวยของงามเล็บเนี่ยสวยงามเหรือทาสีลงไปหลอกตาคนจริงๆโศปตกนะั้นเชื้อโรคอาศัยอยู่ตั้งเยอะทั้งแยะเลยเล็บเล็บ ก, ก็มีขี้นะขี้เล็บผมก็มีขี้หัวตาก็มีขี้ตาจมูกมีขี้มกูกในปากมีขี้ฟัน หูมีขี้หูมีขี้มือมีขี้ตีนมีขี้เหงื่อมีขี้ใครท่านดูอย่างนี้นะใจมันจะสลดสังเวชมันจะได้สมาธิได้สมถะนะได้สมถะงั้นเวลาทํากรรมฐานนะทำให้มันจริงไม่ทําเดี๋ยวก็ทําอย่างนี้เดี๋ยวก็ทําอย่างนี้ยังไม่ได้ผลหรอกไปทำก็ให้มันทําจริงๆดูกายก็ดูให้มันจริงๆลงไป ดูทีละส่วนทีละส่วนเลยผมรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีรสอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่สะอาดไม่น่ารักอย่างเวลาเรากินข้าวนะสั่งอาหารมาแล้วมีผมหรือเส้นหนึ่งอ่ะในจานข้าวเราเนะี้ยรู้สึกไม่อยากกินแล้รู้สึกไหมหรือถ้ามีฟันหลุดออกมานี่คงไม่ต้องพูดถึงเลยนะเมื่อก่อนมีเล็บนะมีเล็บหลุดอยู่ บ้านหลวงพ่ออยู่บ้านดอกไม้ข้ามคลองอ ง, งางไปคือประตูผีที่ประตูผีเนี่ยผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าตลาดประตูผีเมื่อก่อนเนี่ยมีแกงปลาไหลเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเลยปลาไหลประตูผีอร่อยมากตัวมันตัวใหญ่นะคนก็ติดใจไปกินปลาไหลประตูผีวันหนึ่งเนยะในในท้องปลาไหลคน กินนะเจอเล็บเท่านั้นเองร้านนี้เจ๊งเลยเกิดการสอบสวนกันขึ้นมาว่าไปเอาอระไรที่ไหนไปเอามาจากป่าช้าวัดสเกตที่แรกกินอร่อยใช่ไหมพอได้ยินว่าเอามาจากป่าช้าวัดสเกตไม่อร่อยละอวกละเพราะอะไรเพราะมันไปกินร่างกายคนเขากินศพมาแล้นกินของโสโครก สกปกเรารับไม่ได้อย่างกินข้าวแล้วตัดเล็บไปด้วยกินข้าวไปด้วยนะเล็บลงไปในจานข้าวากินลงไหมเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังนะมันจะสอนให้เราเห็นนะของไม่สวยของไม่งามของไม่สะอาดไม่น่ารักไม่น่าพอใจเนี่ยพอดูเรื่อยๆนะมันข่มราคาได้ เนั้นอย่างการพิจารณาร่างกายผมคนเล็บปันนังนี่้ง็นข่มราคะได้ใจก็มีสมาธิขึ้นมาเพราะมีราคะใจก็ไม่มีสมาธิที่จริงมีโทสะใจก็ไม่มีสมาธิมีโมหะใจก็ไม่มีสมาธิแต่ท่านมุ่งมาที่ตัวราคะก่อนสำหรับพวกพระเนี่ยเอาพระเนี่ยนะถ้าพลาดในเรื่องราคานะแล้วอาบัติมันหนักพระโมโหอะไรเงี้ย ยังอาบัตไม่หนักเท่านะพระดาคนเนี่ยอาบัตยังไม่หนักเท่าไปพระเสดเมตุนนีขาดจากความเป็นพระเั้นอุปชานะจะต้องสอนกรรมฐานห้าให้ลูกศิษย์ตอนที่บวชอนะเจสาโรมานะขาทัานตาตะโจจาได้ไหมใครที่เคยบวชจําได้เปล่าทำไมต้องสอนถ้าไม่สอนเนี่ย พระเจ้าปรับอาบัตกับอุปชาท่านบอกว่าทําลายโอกาสบรรลุมรรคผลของลูกศิษย์งั้นสอนผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยผมคนเล็บฝ น, นังมันดีกว่าร่างกายส่วนอื่นยังไงเพราะผมคนเล็บฝ น, นังเนี่ยมันหลุดออกมาให้เราดูได้ผมเนี่ยเราก็โกนกันทุกเดือนหรือตัดผมกันทุกเดือนใช่ไหมบางคนก็เซตโน่นซอยนี่นนทุกอาทิตย์อย่างเงี้ย เล็บเราก็ตัดเล็บทุกอาทิตย์ใช่ไหมถ้าเล็บเท้าอาจจะสองอาทิตย์เล็บมือตัดทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยตัดออกมาแล้วผมที่ตัดออกมาเป็นเราไหมไม่เป็นเราสะอาดไหมเอาไปโรยข้าวกินไหมก็ไม่กินอีกใช่ไหมเล็บตัดออกมาเล็บของเราว่าดีนะั่งโยนอย่างนี้นะพอตัดออกมาแล้วน่าเกลียดแล้วดูไม่ได้แนละ้วขนนะ่ะขนหลุดขนล่วงออกมานะ ก็ดูน่าเกลียดแล้วทีแรกก็ผมก็ผมเราสวยนะั่นหลเท่ภูมิใจนะพอผมส่วนที่ตัดออกมาผมส่วนที่ร่วงออกมาคือของไม่สวยไม่งามไม่ถูกใจละเล็บที่ว่าสวยว่า ง, งามก็ตัดออกมานะี่ยก็น่าเกลียดแล้วะดูไม่ได้ลนะเอาไปโรยข้าวกินก็ไม่ได้ฟันนฟันหลุดออกมานะฟันอยู่ในปากเราเรารักมากนะพอฟันหลุดออกมาเนี่ยเอาใส่คืนเข้าไปเอาไหม แล้วก็ขยักขยแงยอมไปใส่ฟันปลอมดีกว่าเอาหรือไม่เอาฟันคนโบราณมีนะเขาไ่เอาฟันของศพอะมาทำฟันปลอมนะคนโบราณมีจริงๆริกันเนะีวิธีทําำฟันปลอมของคนโบราณยังไม่รู้จะทำยังไงเอาฟันจริงๆนั่นแหละแต่เอาของคนตายแล้วเอามาทำก็คล้ายๆเอาเส้นผมของคนตายแล้วมาทำวิกนั่นแหละ ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ก็แย่หน่อยใช่ไหมเสียความรู้สึกเนี่ยหนังของเราหนังทะเลอกออกมาแล้วหนังเราว่าเราสวยเล่างามนะเป็นแผลน้ําเหลืองน้ําหนองเน่าอะไรเงี้ยหนังก็ไม่สวยแล้วเนี่ยที่ท่านสอนผมคนและฟันหนังนะเพราะว่ามันเป็นส่วนของร่างกายที่หลุดออกมาง่ายพอหลุดออกมาปุ๊บจะเห็นเลยไม่สวยไม่งามไม่ใช่ตัวเรา เห็นแล้วมันก็เกิดปัญญาในขั้นต้นนะต่อไปก็ดูกายทั้งกายได้กายทั้งกายนี้เราดูส่วนย่อยไปแล้วห้าส่วนผมกนเล็บฟันหนังกายที่เหลือนี่ก็ไม่ใช่ของสวยของงามอะไรอีกแหละไม่ใช่ของดีของพิเศษนหละรักกันแทบตายเห็นไหมพอตายปุ๊บไม่อยากเห็นแล้วจับใส่โลงดีกว่าไม่อยากเจอมีไหมประเภทพอตายแล้วก็เรียกร้อง ขอให้มาหาทุกวันนะกลางคืนให้มาเยี่ยมกันนะใครทำบ้างมีแต่บอกให้ไปที่ชอบที่ชอบถ้าหลวงพ่อเป็นผีนะแล้วมาบอกให้หลวงพ่อไปที่ชอบนะหลวงพ่อจะบอกชอบอยู่กับแกนี่แหละเอาให้มันเข็ดไปเลยอยากปากว่าตาขยิบจริงแล้วรักกันแทบเป็นแทบตายแนละ้วพอตายปุ๊บไม่เอาแล้วเอาไปทิ้งแล้วเอาไว้ไม่ได้แนละ้ว เพราะนร่างกายเรานะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกร่างกายเราเรียนรู้กายตัวเองแล้วมันก็เข้าใจกายคนอื่นด้วยนะก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วไม่น่าหลงไม่น่าคลั่งไคลนะ้คนนี้ไอดเราสวยแล้วเกินในสายตาของผู้ปฏิบัติก็คือถุงหนังที่บรรจุของโสโครกนั่นแหละไม่ได้มีดีดีวิเศษอะไรนักหนาหรอก เอามายกให้ยังไม่เอาเลยเนี่ยต้องภาวนาไปช่วงหนึ่งนะเอานางงามมายกให้ยังไม่อยากได้เลยนะก็เห็นดูไปก็เห็นแต่ของสโครกเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเรานะพอเรามีสมาธิขึ้นมาแล้วก็มาเดินปัญญาต่ออย่างจิตเรามีราคามากเราก็พิจารณาปฏิกรูลพิจารณาสุภาเนี่ยนะราคามันก็ดับ อย่างถ้าเรามีโทสะเราก็เจริญเมตตาไปเจริญเมตตาเช่นเราเกลียดคนนี้มากเลยเราก็คิดดูสิทำไมเขาทำพฤติกรรมเลวร้ายอย่างนี้นะเพราะเขามีความทุกข์บางอย่างซ่อนเร้นอยู่ถ้าเรารู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดและการกระทำของคนอื่นนะเราจะโกรธไม่ลงหรอกเราจะโกรธก็ไม่ลงหรอก เพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทํานะก็คือราคะโทสะโมหะเหมือนที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดและการกระทําของเราเหมือนกันไม่ได้ดีพิเศษอะไรหรอกมันก็จะไม่เกลียดไม่ชังกันนะอย่างเราโกรธคนสักคนหนึ่งนะสมัยเรามีแฟนนะแฟนเรานอกใจเราโกรธมากเลยนะแล้วเราก็นึกถึงว่าเราเป็นแฟนเรานสา ม, มี ว, วันวันทำแต่งานไม่เคยสนใจเลยเนี่ยขาดความอบอูนในครอบครัวเนี่ยถ้าเราแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราเนะี่ยเข้าใจเลยม่าธรรมดานี่ยเขาก็อยากเลิกกับแฟนเขาอยากเลิกกับสามีเขาเขาอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยนีย่เราเป็นสามีนะี่เมียมาบอกเลิกเนี้ยเราเจ็บช้ำน้ําใจแต่พอเราสวมหัวใจของเมียเราเข้าไปเรารู้เหตุรู้ผลรู้ว่าอะไรทําให้เขาคิดอย่างนี้นะ มันเกิดความเห็นอกเห็นใจนะมันเกิดความเห็นอกเห็นใจไม่โกรธหรอกนะนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยก็คือการวางใจที่เป็นมิตรนะวางใจอย่างเป็นมิตรต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นนะวางใจที่เป็นมิตรด้วยคือมองเขาด้วยเหตุผลของเขาไม่ใช่มองเขาด้วยเหตุผลของเราเนะนี่ยถ้าหัดมองอย่างนี้ได้นะความเมตตามันก็เกิดเองแหละไม่รู้จะโกรธทําไมนะ ถ้าเป็นเราเราก็ทําอย่างนี้เหมือนกันมันก็ดูอย่างนี้หรืออย่างบางคนนะมันมีโมหะมากมันไม่รู้ผิดชอบช่วดีอะไรเลยทุกวันเนี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะพวกไม่รู้ผิดชอบโช่วดีผู้ใหญ่ก็หลอกเด็กต่อไปอีกทีทําอย่างโน้นสิทําอย่างนี้แล้วดูทันสมัยเลยผู้ใหญ่ก็หลอกเด็กแบบนี้มันทุกยุคทุกสมัยและสมัยหลวงพ่อมก็โดนหลอกอย่างนี้เหมือนกันโตขึ้นมามีวุฒิภาวะขึ้นมามัก็เข้าใจอะไร สังคมจะอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อุดมคติเรื่องหลอกด้วยอุดมคติเรื่องอุดมการณ์อะไรเนี่ยมันหลอกด้วยโมหะหลอกด้วยความชิดเอาเองเมกเมกเอาเองว่าอย่างเนี้ยดีอะไรเงี้ยแล้วก็เผยแพร่ อ, ออกไปว่าอย่างเนี้ยดีอย่างอื่นไม่ดีนี่มันโมหะเนี่ยเราภาวนานะเราก็สังเกตตัวเอง ทำไงใจเราจะมีสมาธิถ้าเราราคามากเราก็พิจารณาปฏิคูลพิจารณาสุภนะถ้าเราโทสะมากเราก็เจริญเมตตาทําความรู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นกับสัตว์อื่นนะกับสิ่งอื่นมึงคนโกรธกระทั่งต้นไม้นะเดินเดินอยู่นะไปนชนกิ่งไม้เขาก็โกรธกิ่งไม้อีกล้ว ม, มันยื่นเกลกะ เดินเหยียบเปลือกกล้วยหกล้มนะโกรธกล้วยอยีกแล้วโกรธให้คนโยนทิ้งไว้อีกเนี้ยคนมันขี้โกรธ น, น้ะอะไรก็โกรธหมดละไม่โกรธตัวเองนะว่าทําไมไม่มีสติเดินไปชนน้นชนนี้เนี่ยถ้าเรามีเมตตานะเขาก็ความโกรธมันก็ค่อยๆหายไปใจเราก็สงบไม่ฟุ้งซ่านด้วยความโกรธ ถ้าเราราคามากใจเราฟุ้งซ่านด้วยราคาเราก็พิจารณาปฏิกูณสุภาพไปใจเราก็สงบไม่ฟุ้งซ่านไปด้วยราคาถนใจเรามีโมหะนะเราก็รู้จักใช้เหตุใช้ผลทำไมคนอื่นเาคิดอย่างนี้อะไรงนี้เขาก็อาจจะมีจุดดีของเขาก็ได้เราคิดอย่างเนี้ยอาจจะไม่ถูกก็ได้ค่อยๆดูค่อยๆ อ, ย อ, ย อ, ย อ, ยอยลไรอย่าใช้อคติ ก็จะใจมันก็จะสงบใจสงบพอใจมันสงบแล้วใจมันจะมีพลังร่างกายกับจิตใจจะแตกต่างกันร่างกายต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆเคลื่อนไหวทุกวนันเคลื่อนไหวสม่ำเสมอเคลื่อนไหวให้มากพอร่างกายถึงจะแข็งแรงจิตใจต้องสงบต้องนิ่งจิตใจถึงจะมีพลังกลับข้างกันนะระหว่างกายกับใจ ห้าใจกระโดดลอดเต้นฟุ้งซ่านทั้งวันใจไม่มีพลังหรอกนะงั้นที่เราต้องมาทํากรรมฐานนะให้ใจมันสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะไม่ไหลไปตามราคะโทสะโมหะถ้าราคะโทสะโมหะแรงเราก็ใช้อุบายอย่างที่บอกไปื่อกี้นี้ถ้าราคะโทสะโมหะไม่แรงเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปสบายๆใจก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะแล้วมีสมาธิชนิดสงบขึ้นมามีแรง จิตจะมีพลังขึ้นมาตรงนี้เอาไว้เล่นอะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่ควรเล่นเดี๋ยวเสียถ้าจากนั้นเราก็มาฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะแยกตัวเองออกมานะอย่างเราจะ ด, ดูกายเนะี่ยเราเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยก็จะเห็นสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความรับรู้คือจิตที่รู้ว่าสุขทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งนะ ดูโลภโกวดหลงก็จะเห็นโลภโกรดหลงอยู่ส่วนหนึ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตที่รู้โลภโกรดหลงเป็นอีกส่วนหนึ่งแนะจิตมันแยกตัวออกมาเป็นคนดูได้วิธีฝึกให้จิตแยกตัวเป็นคนดูได้มีสองวิธีวิธีที่หนึ่งหัดเข้าฌานนะซึ่งพวกเราเข้ายากในยุคนี้ใจมันฟุ้งซ่านมากม็ใช้วิธีที่สองง่ายกว่าคือคอยมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเราต้องการจิตที่ตั้งมั่นนะ เราก็มีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไม่ใช่คิดว่าทํายังไงจิตจะตั้งมั่นทําไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาอยู่ๆไปสั่งให้มันตั้งมั่นทําไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตานะเราใช้วิธีกลับข้างเลยเราไม่ทําในเหตุในเหตุปัจจัยตรงข้ามนะจิตมันตั้งมั่นเพราะมันไม่ไหลไปไม่คลอนแคลนไปแต่จิตจะไหลไป วิ่งไปโนอนวิ่งไป น, น, ไปนี่วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดห้ามก็ไม่ได้อย่าไปพยายามห้ามถ้าห้ามก็ผิดแล้วเพราะจิตก็เป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้มันจะไหลไปไหลามาจิตเป็นอนัตตาจะสั่งให้สงบตั้งมั่นอยู่เฉยๆก็สั่งไม่ได้อีกเราใช้สตินะรู้ทันเวลามันไม่ตั้งมั่นขั้นแรกเราอยู่กับกรรมฐานของเราเช่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปพอจิตมันไหลไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุโทโธ เรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วตรงที่เรารู้ทันว่าจิตหลงไปเนะี่ยในขณะที่รู้ทันนะสติเกิดทันทีที่สติเกิดเนี่ยการหลงคิดจะดับนะเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อการหลงคิดดับจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ไม่หลงคิดก็ดแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ได้ฝึกทาจิตให้ตั้งมั่น ฝึกให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลไปไหลามาไหลไปดูแล้วไหลไปฟังแล้วไหลไปคิดแล้วอะไรเงี้ยคอยรู้ทันบ่อยๆอย่างหลวงพ่อฝึกนะจิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้จิตวิ่งไปคิดก็รู้เนี่ยตั้งแต่เป็นโยมฝึกอย่างนั้นนะเพราะงั้นทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปเนี่ยการเคลื่อนนั้นเป็นความฟุ้งซ่านของจิตมันจะดับนะพราะสติไปรู้ทันแล้วมันความฟุ้งซ่านจะดับ จะเกิดจิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีจิตผู้รู้แล้วเราจะเดินปัญญาได้การเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งเนะเรียกว่านำรูปปริเฉทะยานการแยกรูปแยกนามอย่างหลวงพ่อจะพาทำนะอันนี้เราจะทําได้ง่ายหน่อยเพราะหลวงพ่อพาทำํำขณะนี้เรานั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมว่ากําลังนั่งอยู่เราพยักหน้าซิ รู้สึกไหมว่าพยักหน้าแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งจ้องนะพยักหน้าแล้วนะอย่างนี้ไม่เอานะเหมือนกิ้งกา่านะรู้สึกไปร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายมันหยุด น, นิ่งรู้สึกรนะองยิ้มยิ้มไม่ต้องโชว์ให้ใครเห็นเราอยู่ในแมสเนี่ยยิ้มซิรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มนะพยักหน้าซิ ร like ู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกว่าตอนนี Galaxy ้ร่างกายมันทำอะไรร่างกายมันเป็นยังไงการที่เรารู้สึกรู้สึกเนี่ยรู้ส <We> ึกไม่ร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใจเราเป็นคนรู้ไม่ต้องหานะว่าใจเราอยู่ที่ไหนรู้สึกไหมเราขยับมือสิรู้ไหมว่าขยับมือเนี่ยร่างกายมันถูกรู้อยู่ของใดที่ถูกรู้ของนั้นไม่ใช่ตัวเรา ลองขยับซิแล้ว ร, รู้สึกไหมมือมันบอกไหมว่าเป็นมือเราลองจับมันดูซิมันเป็นเราไหมถ้าจับลงไปบางที่ก็แข็งบางที่ก็นิ่มบางที่ก็อุ่นบางที่ก็เย็นเห็นไหมไม่เห็นมันบอกเลยว่ามันเป็นเราเนี่ยเรารู้สึกเต่อย่างนี้นะแล้วก็รู้เราไปอีกชั้นหนึ่งถึงความไม่ใช่ตัวเราขณะ น, นี้ร่างกายนั่งอยู่ ลองขยับเทา้าสิลองขยับเทา้าเห็นไหมร่างกายขยับเท้ารู้ไหมว่าร่างกายขยับเทา้าใช้คํำว่าเห็นอาจจะไม่ดีรู้ไหมว่าร่างกายขยับพยักหน้ารู้ไหมว่าร่างกายพยักหน้านะอย่างนี้เรียกว่าเรามีสติรู้กายอีกช็อตนึงรู้ไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี้ยมันถูกรู้มันไม่ใช่ตัวเรา รู้ไหมร่างกายที่ขยับเนี่ยมันถูกรู้มันไม่ใช่ตัวเราตัวที่เห็นมันไม่ใช่เราเนี่ยมันขึ้นมาเดินปัญญาแล้วนะมันเห็นไตรลักษณ์เห็นอนัตตาแล้วมันไม่ใช่เราเหรอกหรือร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวร่างกายก็หายใจเข้าร่างกายหายใจออกก็ถูกรู้ร่างกายหายใจเข้าก็ถูกรู้ร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงด้วย เดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนอันนี้เรียกเห็นอนิจจ์จะเห็นะอะไรก็ได้ค่อยๆดูไปในไตรลักษณ์เนี่ยอนิจจงทุกขังอนัตตาเนะี่ยถ้าเราแยกได้นะจิตเราเป็นผู้รู้ได้เนะีเราถึงจะแยกออกไปได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรามันเป็นของถูกรูวถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะเราจะแยกได้ว่าเวทนาคือความรูส้สึกสุขทุกเนี่ยเป็นของถูกรู้ไม่ใช่เรา ถ้าจิตตั้งมั่นเราก็จะแยกได้ว่าโลภโกรธหลงหรือกุศลทั้งหลายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่เราค่อยๆฝึกอย่างนี้นะแล้วต่อไปจะเห็นอีกจิตเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปดูเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้หลงไปฟังเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปคิดเนี่ยวันๆแล้วก็หลงอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงตรงเนี้ยเราจะเห็นจิตเองก็ไม่เที่ยง จิตเองก็เป็นอนัตตางั้นเราดูไปเรื่อยๆนะในที่สุดแล้วเห็นขันห้าทั้งหมดเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างดูกายกายถูกรู้กายเคลื่อนไหวตลอดเวลานี่มันไม่เที่ยงกายทําไมมันเคลื่อนไหวเพราะมันเมื่อยมันปวดมันเมื่อยมันหิวมันหนาวมันร้อนมันเป็นทุกข์กายนี้มันเคลื่อนไหวไปมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เรานี่เป็นอนัตตาความรู้สึกสุขทุกข์ละ มันเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนกั น, นะจิตเป็นคนรู้คนดูไว่เห็นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วโลกโลดหลงอะไรเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนเหมือนกันหมดล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้แล้วต่อไปเธอถึงละเอียดเข้าไปอีกก็จะเห็นกระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับบังคับไม่ได้เช่นเดียวกับร่างกายเช่นเดียวกับความรู้สึกที่เป็นนมามธรรมทางจิตใจเรา คือพวกเจตสิกทั้งหลายจิตเจตสิกรูปนี่คือปรมา ธ, ธรรมสามตัวจิตเจตสิกรูปอีกตัวหนึ่งตัวที่สี่คือนิพพานตัวนี้เราไม่ต้องเรียนนิพพานเนี้ยเข้าไปแจ้งเราเองเราจะเรียนจิตเจตสิกรูปฝึกจิตจนมันเป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนแล้วก็ดูอสติระลึกรู้ของหยาบมันจะดูง่ายกว่าก็ดูกายก่อนนะ เห็นร ci ่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื dazu, ่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายยิ้มร่างกายหน้านิ้วคิ้วขมวดอะไรอย่างเงี้ยใจเป็นคนรู้คนดูแล้วเห็นร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตลอดนี่มันไม่เที่ยงร่างกายเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนะกระสับกระส่ายไปนี่มันเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองเหมือนกับของภายนอก มาดูเจตสิกอย่างความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนีเรียกว่าเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์ดีชั่วก็บังคับไม่ได้เป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยแค่มีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเราก็จะเดินปัญญาได้จะแยกขันได้พอแยกขันได้แล้วขันแต่ละขันเนี่ยจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูรูปก็แสดงไตรลักษณ์เวทนาก็แสดงไตรลักษณนะ์สัญญาสังขารก็แสดงไตรลักษณ์ สุดท้ายคือตัวจิตก็แสดงไตรลักษณจิเตเจตสิกรูปเราเรียนแล้ตัวรูปตัวเจ ต, ตสิกนี่มาถึงตัวจิตจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิคดนี่แสดงไจรลักห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่แสดงอนัตตาน ะ, นะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้แล้วก็ดับเป็นผู้คิดแล้วก็ดับนี่แสดงอนิจจัง นั้นเวลาเราพาวนานะเราก็จะต้องพาวนาจกนกระทั่งสามารถเห็นได้ว่าตัวกายตัวรูปตัวเจตสิกตัวจิตเนี่ยล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์แล้วมันจะวางวางวา ง, วางเป็นลําดับไปถ้าวางกายได้ก็นะจะได้พระอนาคามนะีวางจิตและเจตสิกได้จะถึงที่สุดแห่งทุกขนะ์ตัวเจตสิกเนี่ยเป็นตัวนามกายนะเป็นนามกาย เป็นกายของนามธรรมตัวจิตเนี่ยเป็นตัวตัวนามนามรู้นามจิตเ น, นี่จะค่อยๆเรียนเรียนเรียนไปถ้าเราอย่างเพลิดเพลินในอารมณ์ที่มีความสุขอย่อยางเงี้ยเรียกว่าเรามีรูปประคาะเราติดใจในเจตสิกที่ดีถ้าเราพึงพอใจที่จะรักษาตัวผู้รู้ไว้ เรามีอรู ป, ปราคะเราพึงพอใจในตัวจิตเนี่ยเวลาเราพอวนานะตอนเป็นพาันาคาเนี่ยมันจะวางกายลงไม่ยึดกายตอนถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยมันจะวางจิตและเจตสิกลงพร้อมๆกั น, นวางพร้อมกันงั้นละรู ป, ปราคะรู ป, ปราคะลงพร้อมๆกันนะธรรมะงดงามมากนะมีเหตุมีผล ภาวนาไปแล้ววันหนึ่งก็เข้าใจขออย่างเดียวเท่านั้นให้ตั้งใจภาวนาเอาเวลาไปวุ่นวายกับโลกภายนอกมากเกินไปก็ไม่มีความจําเป็นนะไม่ได้ประโยชน์มีแต่โทษยุ่งกับคนอื่นตลอดเวลามีแต่โทษนะเรียนรู้ความไม่ดีของตัวเราเองมีคุณมีคุณวันหนึ่งจะได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้อาบเชิญตรวจกันบ้านหมายเลขห้าค่ะ ส่งการบ้านครั้งแรกค่ะทำในรูปแบบด้วยการรู้ลมหายใจเข้าพุทธโธออกสลับกับการเดินจงกรมอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงระหว่างภาวนาเห็นจิตเป็นอนัตตาควบคุมบังคับไม่ได้หนูเห็นถูกไหมคะหรือคิดไปเองขอหลวงพ่อเมตตาให้การบ้านเฉพาะตัวที่จะนำไปภาวนาต่อเห็นนะเห็นถูกนะแต่มันยังเจือการคิดอยู่ ยังฟุ้งเก่งอยู่ดูออกไหมว่าเราฟุงซ่านเก่งตัวนี้ดูออกไหมหรือดูไม่ออกใจมันชอบหนีไปหนีมานะชอบหลงไปคิดอย่างขนณะนี้หลงไปคิดละงั้นเราเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นสัหน่อยนะทุกวันทําในรูปแบบไปก่อนนะแล้วค่อยรู้ทันจิตจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้รฝึกนี้เราบ่อยๆเดี๋ยวมันจเจริญปัญญาเองแหละสมาธิถูกปัญญามันก็เกิดมันไม่ใช่เรื่องยาก แต่อยู่ๆจะให้เกิดปัญญาโดยที่ไม่มีสมาธิเป็นไปไม่ได้เพราะปัญญาเนี่ยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้เราอยากเดินปัญญาได้นะรู้สึกไหมใจมันอยากเจริญปัญญาแตนะ่สมาธิเราต้องดีก่อนถ้าสมาธิดีเนี่ยการเจริญปัญญานะี่ยมันเกิดอัตโนมัติเป็นง่ายๆเลยนะใช้เวลานิดเดียวในการเจริญปัญญาจนกระทั่งเข้าใจความจริงของรูปนามแล้วปล่อยวางไม่นาน ขอให้จิตมันมีพลังแล้วก็ขอให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้เท่านั้นแหละเนี่ยตอนนี้เป็นผู้คิดอีกแล้วรู้ไหมเนี่นหนูคอยรู้ทันตัวเองนะจิตลงไปคิดก็รู้ลงไปคิดแล้วรู้ไม่ห้ามนะไปฝึก อ, อีกไปที่ทำอยู่ใช้ได้นะทำมาได้ดีแล้วละเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นนี่มันจะดีกว่านี้อีกหมายเลขเจ็ดค่ะ เข้าใจว่าตัวเองเห็นสภาวะได้ด้วยปัญญาไม่ใช่คิดไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่คะการเห็นสภาวะเนี่ยนะเห็นได้ด้วยสติและด้วยปัญญาถ้าเราเห็นตัวของสภาวะเช่นความโกรธมันพุ่งขึ้นมาเรารู้ทันความหงุดหงิดพุ่งขึ้นมาเรารู้ทันอันนี้เรียกว่าเรามีสติถ้าเห็นด้วยปัญญาเราต้องเห็นไตรลักษณ์ เราจะเห็นว่าตัวโกรธเนี่ยมันไม่เที่ยงหรือมันบังคับไม่ได้อยู่ๆมันก็เกิดเองอยู่ๆมันก็ดับไปเองโดยที่เราห้ามมันก็ไม่ได้อย่างนี้ถือเรียกว่ารู้ด้วยปัญญาสังเกตดูของหนูรู้ด้วยสติหรือรู้ด้วยปัญญาเป็นส่วนมากพอจะดูออกไหมไปดูเอานะต้องฝึกแล้วก็อย่าทําจิตให้เหมือนตอนนี้ตลอดเวลานะในตอนนี้ตื่นเต้นใช่ไหม เดินเต้เรากดเอาไวนะ้จิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสุขทุกข์ดีชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันนั้นะดีถ้าจิตเรานิ่งอย่างนี้ทั้งวันจิตอย่างนี้ไม่ดีเป็นจิตอาภัพนะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรูไ้ไนปะที่หนูฝึกก็พอใช้ได้หรอกนะแต่มันยังฟุ้งอยู่มันยังไม่ใช่การเจริญปัญญาที่แท้จริง หมายเลขแปดค่ะลูกปฏิบัติโดยการทำสมาธิตอนเช้าทุกวันแต่เวลานั่งสมาธิจิตลูกจะฟุ้งมากค่ะและเห็นจิตมันวิ่งไปฟังเสียงและวิ่งกลับมาคิดเวลาทำงานก็เห็นจิตมันสั่งงานจนกายทำไม่ทันและเห็นว่าตัวเองมีอัตราตัวตนสูงมากมที่ลูกปฏิบัติมานี้ถูกต้องไหมคะมันก็ถูกในขั้นนี้นะ มันกถูกตามลำดับไปอะอย่างเราเห็นจิตวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาอะไรอย่างนี้นะเรารู้ทันก็ถือว่าดีนะแต่จะดีกว่านี้อีกเราจะเห็นว่จิตที่หลงไปดูนะ่นะก็ดวงหนึ่งนะพอเรารู้ทันว่าหลงไปดูจิตที่หลงดูดับเกิดจิตอีกดวงหนึ่งที่เป็นคนรู้ขึ้นมาแทนไม่ใช่ดวงเดิมอันนี้เห็นเป็นดวงเดิมไหมหรือเห็นว่าเป็นคนละดวงนะ ถ้ายังเห็นว่าเป็นดวงเดิมเนี่ยมันยังขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกนะสันตติยังไม่ขาดแต่ถ้าเห็นว่าจิตดูก็ดวงหนึง่งจิตรู้ก็ดวงหนึง่งนะเกิดดับต่อเนื่องกันไปอย่างนี้ดีนะแต่ขั้นแรกแค่เห็นว่าจิตมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาเห็นแค่นี้ก่อนก็ถือว่าดีแล้วนะต่อไปจะดีกว่านี้ค่อยๆฝึกไปนะมาได้ดีแล้วล่ะหมายเลขสิบค่ะ ติดเพ่งมากมานานค่ะตอนนี้ยังเพ่งอยู่ค่ะคลายลงบ้างมองไม่เห็นความอยากในการปฏิบตัติปฏิบัติโดยสวดมนต์เดินจงกรมค่ะขอคําแนะนำในการปฏิบัติค่ะที่ปฏิบัติอยู่ยังคงอยู่ในทางที่ถูกหรือไม่คะถูกแล้วล่ะถ้าไม่ปฏิบัติถึงจะผิดนะถ้าปฏิบัติก็ใช้ได้แล้วนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องถูกหรือผิด อยู่กับปัจจุบันบ่อยๆใจเราสุขในตอนนี้ใจกําลังสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจอยากจะนั่งสมาธิก็รู้ใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้ไปเรื่อยๆภาวนาไปแล้วก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันก็เกิดเองแหละนะแต่จะดูจิตอย่างเดียวไม่พอนะของหนูพลังของจิตมันยังอ่อนดูกายด้วย พยาามรู้สึกในร่างกายไปทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยฝึก อ, อย่างนี้เรื่อยๆนะจิตจะได้มีพลังมากขึ้นเดินปัญญาได้คล่องตัวมากขึ้นนะดีไปทำต่อหมายเลข14ค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อถามนิดนึงอนะ่ะสติกเกอร์นี่ทำไมบางคนมีทั้งสีฟ้าสีส้ม อันเล็กคือวัดไข่ค่ะไทยชนะค่ะของพ่ออันใหญ่คือสำหรับคนที่เข้าศาลาเท่านั้นคะ่ะแล้วบางคนมีสีเขียวะมันหมดค่ะเลยเปลี่ยนสีเลยนึกว <c oughs> <c oughs> มีหลากสีดีไหม <c oughs> หมายเลขสิบสี่ค่ะปกติเป็นคนมีความคิดเยอะ จึงเจริญสติด้วยการรู้ความคิดและกลับมารู้สึกตัวสลับไปมาขอให้หลวงพ่อแนะนำว่าถูกต้องไหมขอบคุณครับรู้ความคิดนะจิตมันคิดไปแต่พอคิดเรื่องนี้แล้วสุขก็รู้ทันคิดเรื่องนี้ทุกข์รู้ทันรู้ทันสุขทุกข์รู้ทันคิดเรื่องนี้แล้วโมโหแล้วรู้ทันคิดเรื่องนี้แล้วโลภรู้ทันคิดเรื่องนี้ชอบคิดเรื่องนี้ไม่ชอบเรื่องที่คิดไม่สาคัญหรอก มันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในใจเราจุดสำคัญคือรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในใจเรานะส่ง ก, การที่มันจะคิดเรื่องน้นเรื่องนี้อะไรห้ามมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีจิตมีพลังดีหมายเลขยี่สบอค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ ภาวนาในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเป็นประจำมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมและระหว่างวันคอยสังเกตร่างกายจิตใจขอคำแนะนำชี้แนะเพิ่มเติมจากหลวงพ่อค่ะทำถูกแล้วละ่ะทำถูกแล้วทำให้สม่ำเสมอนะทำไปเรื่อยมีเวลาเมื่อไหร่นึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบ ถ้าไม่ทาในรูปแบบเลยใจจะไม่ค่อยมีแรงแรงจะตกเร็วนะถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยเจริญขึ้นนะแล้วเราดูนะเรามีกิเลสตัวไหนเยอะดูออกไหมรู้ทันกิเลสตัวเองบ้างไหมเวลากิเลสมันมาเนี่ยรู้ไหมโกรธโลภห ล, ลงอะไรเงี้ยนะคอยรู้ทันมันเรื่อยๆได้นะ การปฏิบัตินะไม่ใช่แค่ว่าเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาทําแต่ทางบวกแต่ทางลบกิเลสเราก็ยังตามใจมันอย่างเงี้ยมีทั้งบวกมีทั้งลบนะมันก็ไม่เต็มทั้งทีคะแนนเราเงินท่านถึงสอนว่าอกุศลก็ไม่ทําให้เล็มซะกุศลก็ให้เจริญในที่สุดจิตใจมันก็ผ่องแผ้วขึ้นมางั้นเราก็ดูได้กิเลสอะไรยังไม่ละเราก็อย่าไปตามใจมันค่อยๆลดค่อยๆ ล, ละ กุศลอะไรยังไม่เจริญก็หัดเจริญไปมีศีลดีหรือยังยังไม่ดีก็ทําให้ดีะตั้งใจทําให้ดีมีสมาธิไหมจิตสงบไหมจิตตั้งมั่นไหมถ้ายังไม่พอก็ฝึกของเราทุกวันทุกวันนะอย่าท้อใจนะมันต้องฝึกเยอะฟังไปฟังไปอชักท้อนะแรกๆมันก็ยากทุกคนเลยหนูเอ้ย ฝึกไปนะถวันหนึ่งมันก็ดีมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นขี่จักรยานเป็นไหมขี่ทีแรกขับได้เลยไหมขี่ดได้เลยไหมต้องล้มก่อนใช่ไหมการภานาก็เหมือนกันล้มลุกลุกครานแล้วขึ้นมานั่งขี่ต่อเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ใจเรายัางล้มลุกลุกครานใจยังฟุ้งซ่านใจยังไม่มีแรงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรฝึกของเราไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มีแรงของมันเองแหละเหมือนคนเสื้อเหลืองแนละ้วนแะ จิตเขามีแรงมากกว่าเรานะเ้าชอบเพ่งอยู่นะเสื้อเหลืองดีที่หนูทำพ่อก็ยินดีด้วยนะฝึกทุกวันทุกวันนะเอาหมายเลข5้าสิบสองค่ะผมอยากทราบว่าแนวทางที่ทำอยู่เหมาะสมกับผมแล้วและควรทำต่อไปใช่หรือไม่ โดยการปฏิบัติของผมจะใช้การดูร่างกายหายใจประกอบกับพุทธโธเดินจงกรมเพราะเห็นว่าตนเองดูกายได้ชัดกว่าเนื่องจากยังฟุ้งซ่านมากเหมาะสมแล้วล่ะดูกายนะแต่เพิ่มการสังเกตนิดนึงจิตของเราไม่เข้าฐานหรอกเวลาดูกายจิตมันก็ไหลไปดูเวลาจะดูอย่างอื่นจิตมก็ไหลไปดู ให้เพิ่มการรู้เท่าทาันจิต ท, ที่ไหลดูกายไปนี่แหละแล้วจิตไหลลงไปในกายก็รู้มดงไปเพ่งกายหรือดูกายอยู่ดีๆนี่แหละจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันจิตไปเรื่อยเวลามันหนีนะสมาธิมันก็จะดีกว่านี้ใจมันจะตั้งมัน่นตอนนี้มันมีสงบเฉยๆแต่มันยังไม่ตั้งมันไม่เข้าฐานเนี่ยพวกเราบางคนฝึกได้ขนาดนี้ยบางทีก็เที่ยวไปวัดน้นวัดนี้ไปหาครูบาอาจารย์นะ บฝึกมาจากหลวงพ่อประโมทดูจิตครับเนี่ยผมกาลังดูจิตท่านจะบอกดูไม่ถึงจิตหรอกนะยังดูไม่ถึงจิตขณานี้ไม่ถึงจิตนะดูกายไปแล้วจิตมันเคลื่อนออกไปก็รู้ทันรู้ทันจิตไปดูกายเพื่อให้เห็นจิตพอเรารู้จิตแล้วเราจะเห็นธรรมทำมนได้ดีแล้วละใช้ได้อดทนไปพยายามต่อไปเห็นไหมขยักหน้าเห็นไหม รู้สึกไปงั้นเราคุยกับหลวงพ่อใจไม่มาอยู่กับหลวงพ่อเราก็พยักหน้าไปเรื่อยๆแต่เราไม่เห็นค่อยๆฝึกดีหมายเลข5้าสบคนสุดท้ายค่ะปฏิบัติในรูปแบบดูลมหายใจร่างกายหายใจรู้จิตที่หลงเพ่งบ้างฟุ้งซ่านบ้าง ส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านสติไม่ค่อยถึงฐานรบกวนหลวงพ่อเมตตาแนะนําตามจริตของผมขอบคุณครับที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะอยู่ที่ชั่วโมงบินของเราฝึกไปเรื่อยๆสม่สมําเสมอไม่คิดว่าเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ปีอะไรเงี้ยมีเวลาก็ฝึกของเราไปเรื่อยตลอดชีวิตก็ฝึกไปกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ทําชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นของที่ทํากันทั้งชาติ พระละหันยังเจริญสติปัฏฐานเลยนะพระละหันแต่เจริญสติป <anywhere. reunited S 2> ัฏฐานโดยครละเหตุผลกับเราเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อให้เกิดสติบ้างเพื่อให้เกิดปัญญาบ้างอย่างพระละหันท่านเจริญสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมอยู่สบายหางานมาทํามื่อยังสบายๆนี่ของเราก็เจริญไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนว่าจะต้องได้ผลเมื่อไหร่ ถ้าอยากได้ผลเร็วอย่ายิ่งช้าใช้ได้นะวันนี้พานานดีดีอยู่หลายคนเลยหมดละนี่บางคนถามบอกว่าถ้าหมดโควิดแล้วยังจะต้องจองอีกไหมนะวันก่อนหลวงพ่อสัมภาษณ์แล้วหลวงพ่อสำรวจประชามติแล้วอยากให้จองต่อเพราะว่า เวลามาฟังธรรมแล้วมันมีความสุขมันไม่รูกรียบรุกลนคนรีบๆมากนะดีไม่ดีแทนที่จะถึงวัดสวนสันตธรรมก็ิดถึงโยมมาบาลนะรีบเกินไปธรรมะจริงๆเป็นของอยู่กับตัวเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่กับวัดไมได่อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ที่ตัวเราเองฟังธรรมแล้วเอาไปปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อย อย่าอยากว่าต้องอย่างโนอนต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเรื่อยๆไปเนี่ยมันก็ดีเองนะแต่ว่าความชั่วต้องละนะความดีต้องเจริญอย่ามักง่ายบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นปฏิบัติธรรมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลย ท่านบอกว่าให้ละบาปอากุศลทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมวิศีลสมาธิปัญญาต้องพร้อมก็มฝึกจิตให้มันฝ่องแผ้วผ่องแผ้ ว, ผผวมันผ่องแผ้วได้เพราะมันสะอาดมันหมดจดขึ้นมาทีแรกมันก็สดใสใสว่างต่อไปก็สว่างอย่างเดียวไม่พอละกิเลสยังซ่อนอยู่ภาวนาไปเรื่อยๆนะในที่สุดก็สะอาด สว่างสะอาดแล้วก็อยู่กับความสงบของเราไปสบายค่อยๆฝึกเอาชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้เราลงมือฝึกใหม่ๆเรายังไม่เห็นผลหรอกแต่พอเราฝึกไปนานๆเราจะเห็นผลรือเฉพาะเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเราที่ไม่ได้ฝึกหรือญาติพี่น้องเราที่เขาไม่ได้ฝึกแต่เราฝึกทุกวันนะ่ะ ผ่านไปหลายๆปีเราจะเห็นความต่างพวกเราคนไหนเห็นความต่างมากมีไหมว่าเราตอนนี้ไม่เหมือนกับญาติพี่น้องเราแต่ก่อนไม่เหมือนเพื่อนฝูงเราแต่ก่อนแล้วถ้าเราหลงโลกเหมือนที่เขาหลงกันเราก็ยังเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละแต่เราไม่หลงโลกตามเข้าไปนะพยายามฝึกตัวเองไปผ่านวันเดือนปีไปเนะี่ยเรามีความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง มันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจนะไม่ใช่เกิดมานณะัตตาว่ากูดีกว่าเขานะเพราะมันลดละกิเลสไปเรื่อยๆมันอิ่มออิ่มใจนะรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงธรรมะเป็นของจริงความพ้นทุกข์มีจริงนะวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุ ก, ก็มีจริงนะเรียนจะเห็นความจริงทั้งหลายนชีวิตเราจะเต็มมันจะเต็ม ม, ต ม, มันจะอิ่ม ชีวิตของพวกเราตอนนี้มันยังไม่อิ่มมันยังไม่เต็มมันมีความหิวเกิดขึ้นตลอดเวลามันหิวที่ใจเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวก็อยากฟังเสียงเดี๋ยวก็อยากดมกลิ่นเดี๋ยวก็อยากลิ้มรสเดี๋ยวก็อยากรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็อยากได้อารมณ์เพลดิดเพลินทางใจ ใ, ใจยังหิวอยู่ตลอดเวลาใจที่หิวมีความทุกข์นะค่ๆฝึกไปจนใจไม่หิวอ่ะใจหมดหิวใจมีความสุข สมัยหนึ่งหลวงปู่มั่นปติท่านอยู่ป่าคราวนั้นท่านเข้าไปที่เมืองโคราชที่นครราชสีมานคนก็แกล้งท่านนไม่ค่อยพอใจอ่ะนะพระกรรมฐานถามท่านว่าท่านมาที่โคราชเนี่ยทําอะไรท่านจะมาหาอะไรดูสิพระดีขนาดนั้นไปถึงบ้านถึงเมืองนะกลับไปถามว่าท่านจะมาหาอะไรท่านบอกท่านไม่ได้มาหาอะไรท่านมีหิวแล้ว ท่านจะมาสอนให้คนเปนไม่อยู่ตามท่านหรอกห่างามันไม่เข้าใจมันเข้าใจก็ช่างมันคนไหนเข้าใจก็ได้ประโยชน์คนไหนไม่เข้าใจก็ทุกต่อไปไม่ใช่ทุกคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้เนี่ยมันมีอินทรีย์แก่อ่อนไม่เท่ากันนี้พวกเรามีโอกาสแล้วเราก็ภาวนาตั้งอกตั้งใจไปเรียนไม่เคยรักษาสีก็รักษา ไม่เคยมีสมาธิก็ฝึกเข้าสมาธิมีสองงานฝึกให้สงบก็ฝึกให้ถอนตัวตั้งมั่นออกมาแล้วถอนตัวออกมาเป็นคนดูให้จิตมันเป็นคนดูแล้วก็เดินปัญญาไปเดินปัญญาก็คือเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจไปสุดท้ายวิมุตติก็เกิดเกิดมากเกิดผลจิตก็ปล่อยวางความยึดถือในกายในใจมันปล่อยกายก่อน ถ้าขสุดท้ายมันปล่อยจิตเจตสิกพร้อมๆกันสบายมีความสุขอาขเชิญกลับบ้านวันนี้มีใครผู้ช่วยสอนมีเท่านี้เลยบางวันก็เยอะนะวันวันนี้น้อยหน่อยเดือนสามอาขเชิญคนอื่นที่หลวงพ่อไม่ได้มอบหมายอ่ะ เราไม่ต้องไปขยันเรียนกับเขานะเดี๋ยวเขาพาเราพังเมื่อก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่วมามนั่งหลอกคนในวัดนะใครเดินผ่านก็บอกจิตเป็นอย่างนี้จิตทเป็นอย่างนี้ให้เขานับถือนะให้เขานับถือเพานับถือแล้วก็เขาให้เงินให้อะไรมีผลประโยชน์พวกสอนกรรมฐานหาผลประโยชน์มีเยอนะนะเราต้องระมัดระวังคนที่เขาดีจริงนะเขาไม่มาเรียกร้องจากเราหรอก พอ เ, เขาไม่หิวนี่คนที่หิวมันก็หลอกเขาสแสดงปฏิหารหลอกเขาไปเรื่อยเวลาจะตายนะี่นะตายทุรักทุเลนะตายอย่างหน้าทุเลตเลยหาความแช่มชื่นใจที่พอนึกถึงแล้วชื่นใจสัหน่อยหนึ่งหาไม่ได้อนะพวกเราพอวนาไปเยคยทำไปเรื่อ ย, อยไม่คดไม่โกงใครเขานะ มีศีลมีทำไปเวลาเราจะตายเรานึกถึงเนี่ยชีวิตเรานะศีลเราดีนะแค่นี้ก็ไปสุคติแล้วหรือเราก็เคยเจริญสติเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันไดนะ้ถึงจุดนั้นนะดีไม่ดีปล่อยวางโลกทั้งโลกเลยพ้นทุกข์ไปเลยเ ร, เรียกพระอรหันตชนิดชีวิ ต, ตะสมสัสสีสนะีหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจในขณะนั้นเลย แล้วคนไม่มีศีลมีธรรมอยู่ไม่มีอะไรให้นึกถึงนึกถึงก็เช่นแขนกน้นยังไม่หายอยากอันนี้ยังไม่เสร็จก็ไม่ได้ไปดีไม่ได้ดีงั้นอนาคตนะั้นจะดีหรือไม่ดีเราเลือกของเราเองนะแล้วการเลือกนะเราลงมือเลือกตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ไปเลือกตอนจะตายนะ เวลาจะตายมันอัตโนมัติจงใจเลือกไม่ได้เงินฝึกตัวเองซะให้ดีเวลาจะตายไม่ได้อิ่ม อ, อ, อิ่มใจตายนะอาจจะบรรลุมรรคผลไปเลยหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไปสุขติมาเรียนธรรมะต่อได้ถ้าทำแต่ความชั่วไปเรื่อยเวลาจะตายก็นึกถึงแต่เรื่องชั่วๆมืดมัวเอาดีไม่ได้แน่นอน อเชิญเป็นคำลบสามแล้วป ต, ติยัมปี